พุทธสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะได้เวลากลับ ก็ไม่เพียงพออืมท่านก็ให้ธรรมะไปเยอะแยะเลยทีนี้ท่านเข้าใจว่าก็มีคน ยาเค้าเรียกทายาครอบจักรวาลที่เป็น มันเป็นใบเพื่ออกุศลนะถ้ายังไม่ได้ทําอย่าทําเลยเช่นว่า ค่ะอ่าแล้วถ้าสิ่งใดในทางกุศลครับนะสิ่งหรือเรากําลังจะทําลงไปในทางกายหรือทางวาจานะแล้วมันเป็นกุศลนะไม่ได้บิดเบือนคนอื่นไม่ได้บิดเบือนตัว ถ้าพูดถึงเรื่องทางกายถ้าพูดถึงเรื่องทางกายใช่มั้ยเราก็ทราบอยู่เรื่องของไม่คาดศาตไม่รักศัพท์ไม่ประพฤติผิดในกามอันนี้คือเรื่องทางกาย <ม. S 1> ไม่มีความมีมิจฉาทิฐิค่ะนี่เท่ากับว่าโอ้แค่ไม 2 นาทีแค่ 2 นาที เพราะท่านก็ได้ทวนคําถามเพื่อที่จะให้ท่านได้ทราบว่าท่านเคยบุญ โดยไม่ต้องไปพึ่งบริษัทที่ปรึกษาไหนเลยนะคะใช่ท่านให้พิจารณาว่าเรื่องที่เราจะทําอืมถ้าใช่ใช่ถ้าทําอยู่ก็และให้แก้ไขอ่าถ้าค่ะอืม อ่าละเกณฑ์ว่าอะไรเป็นอกุศลก็ดูว่าไปเบียดเบียนใครเค้าหรือไม่ได้นะคะ ส่วนเรื่องของวาจาศีลข้อที่ 4 พูดปด 3 คุณสมบัติของคือไม่พูดคําหยาบไม่พูดกับถ้าทางใจก็มาดูว่ามี <โ อ, S 1> เนกเลสนักความเป็นเร่งค่ะแล้วถ้าเราแปลอย่างงี้เลยไม่ได้เหรอคะมันง่าย แยบคายกว่าอย่างนั้นมั้ยเอ่อมันค่ะคนที่มีอภิชฌาเนี่ยแน่นอนละก็มี อีกอีกประเด็น 1 คือตรงเนี้ย 10 ข้อ 2 ส่วนเป็น 20 ข้อละแล้วบางทีเอ่อ<ใช> 8 ข้อ 8 นะไม่ นะ, 8 คือบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะอย่างเช่นว่าจะจะจะเลือกบริษัทไหนดีเนี่ย เอ่อถ้าพูดง่ายๆลง 8 ก็ได้ได้นะว่าถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 นะก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ว่าคุณ 8 นะ แล้วก็ทางนั้นจะเป็นทางที่ไม่ตันด้วยก็ทางนั้นจะเป็นทางที่ไม่ตันด้วยแต่คือบางคนเนี่ยก็ไม่แล 8 อันนั้นคือสิ่งที่ถูกแล้ว ในจิตใจของเราเนี่ยจะไม่มีหมอกมีใจที่ไม่มีหมอกควันมาบังแล้วเนี่ยการตัดสินใจของเรามันจะเคลียร์มากขึ้นการ แล้วจะมั่นใจได้ไงว่าการตัดสินใจเนี้ยของเราเนี่ยถูกต้องมีเรียนเมืองนอกดี ให้ 8 เนี่ยก็เข้าใจล่ะว่าให้เดินไปตามมรรค 8 แต่ถ้าจะให้อ่า 8 นี่คิดยัง 8 มีอะไร ไหนไล่ไปตั้งแต่สมาธิติจนถึงสมาแล้วเราจิตของเราไม่สามารถตั้งอยู่ในสมาสังคปะได้นะแล้วคุณ เอ่อมีสมาธิได้มั้ยไพรัชถึงแม้ว่าสามารถที่จะทรงจิตลักษณะที่เป็นสมาอ่า เช่นว่าเราเลือกตามความอยากของเราหรือว่าเราเลือกตามที่พ่อแม่ออกแบบให้และสิ่งที่ 10 ปี 20 ปีคนหนึ่งเป็นหนี้เป็น มันมันแค่ทั้งๆที่จบจากโรงเรียนเดียวกันหน้า 10 ปี 20 ปีผ่านไปนะค่ะอันนี้ก็เพราะว่าเส้นทางตรงนี้นั่นเองไม่ ท่านบอกครอบจักรวาลเนี่ยตัดสินใจทําไปซะแล้วเรื่องนี้อืมทําไปค่ะเอ่อ นะเพราะว่าถ้าเราทรงจิตของเราให้เป็นอย่างนี้คือคุณตัดสินใจผิดๆไปแล้วใช่มั้ยแล้วถ้าเรายังคงจิตให้เป็นอย่างนี้ต่อไป 8 นะพอเราสมมุติ now <เอ>เราทําเพื่อให้อย่างน้อยจิตใจเราดีแล้วไปน่ะมันก็จะน้อยคุณที่ที่คุณอยู่ตรงเนี้ยอย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่ถูกค่ะเนาะก็เหมือน ทำให้ปัจจุบันดีที่สุดด้วยวิธีทีนี้พอด้วยวิธีไหนเมื่อถามพระพุทธเจ้า 8 เนี่ยถ้า <นะคะ, S 1> สัมมาสังคปะดํริชอบนะคะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอืมคือมี เป็นหลักเพื่อที่จะได้ดําเนินชีวิต เรื่องที่มันจะเข้ามารบกวนจิตใจที่มันจะเข้ามารบกวนจิตใจร่วมเพิ่ง 5, 5 ถึง การทอดกฐินวัดป่าดอน 27 ตุลาคมค่ะวัน